ทำกรรมาฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจวงเล็บเปิด31พฤษภาคม2550จุดจุดนาที12วงเล็บปิดครูบาอาจารย์บางรูปสอนนะหลวงปู่ล่าภูเจากกสอนว่าพุโทโธอย่างเดียวก็ถึงนิพพานได้ถ้าฟังแบบนักอภิธรรมบอกว่าเป็นไปไม่ได้พุโทโธเป็นคำบริกรรมได้แต่สมถะแต่ถ้าเราพุโทโธเป็นนะพุโทโธแล้วดูใจไปพุโทโธเล่นๆ เ, เป็นเครื่องอยู่ เพราะโดยธรรมชาติใจของเราคิดตลอดเวลาห้ามไม่ให้คิดไม่ได้แทนที่จะให้คิดสเปสสปะนะก็ให้คิดพุดโทโธใครไม่ชอบพุโทโธนะคิดอย่างอื่นก็ได้ท่องชื่อแฟนยังได้เลยเคยมีพระรูปหนึ่งท่องชื่อแฟนนะแล้วจิตรวมเลยเพราะใจมันชอบพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็รู้ทันใจของเราไปเรื่อยการดูจิตดูใจก็ทาใหถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร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 มันไม่ใช่ตัวเราละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราหรือหายใจหายใจไปจิตแอบไปคิดแวบรู้ว่าจิตไปคิดหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจหายใจไปเรื่อยๆจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นการรู้กายเป็นการรู้จิตบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตนะบางคนชอบสวดมนต์สวดอิติปิโสไปแล้วใจเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใช้ได้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 ปัญญามันจะเกิดว่าตัวที่พองมันไม่ใช่เราหรอกตัวที่ยุบก็ไม่ใช่เราหรอกนี่ขึ้นวิปัสสนาดูรูปได้แล้วมันเห็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูพวกเราหลายคนนะไปดูพองยุบโดยที่ใจไม่ได้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเอาใจแนบลงไปที่ท้องนะไปเพ่งรูปอันนั้นสมถะนะการเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารัมมณูปนิจจานเป็นสมถะถ้าจะทาให้เป็นวิปัสสนา เราเห็นรูปมันพองเห็นรูปมันยุบใจไปอยู่ตังหากใจไม่ถลำไปในรูปใจจะเห็นทันทีเลยว่ารูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกดังนั้นกรรมาฐานอะไรก็ได้นะถ้าทำเป็นไม่ต้องทะเลาะว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะสายไหนก็หลงได้เหมือนๆกันแหละสายไหนก็ถูกได้หรือเราดูท้องพองยุบแล้วใจหนีไปคิดแวบไปก็รู้ทันว่าใจหนีไปคิดดูท้องพองยุบแล้วใจไหลเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้อง รู้ว่าไปเพ่งแล้วดูท้องพองยุบแล้วเกิดปิติขนลุก ข, ขนชันผงกหน้าผงกหลังตัวโครงตัวเบาตัวลอยตัวใหญ่สารบัดตัวนะก็รู้ทันว่ามันมีปิติขึ้นมาดูท้องพองยุบแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขดูท้องพองยุบแล้วก็มาดูจิตได้ดูท้องพองยุบแล้วก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบไม่ใช่เราพองเรายุบนี่ดูท้องพองยุบแล้วรู้รูปได้เห็นเลยตัวที่พองยุบไม่ใช่เรา ตัวที่หนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งไปสุขไปทุกข์ไปดีไปชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมบ้างนมามธรรมบ้างค่อยๆฝึกไปใครเคยทำอย่างไรก็ทำนะใครเคยขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปเผลอคิดเรื่องอื่นคอยรู้สึกไปขยับไปแล้วก็รู้สึกนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูใช้หลักเดียวกับที่ดูท้องพองยุบเมื่อกี้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูไปเรื่อยๆ เราจะรู้เลยร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่เราอันนี้เรียกว่าจเจริญวิปัสสนาด้วยการดูรูปเห็นรูปไม่ใช่เราหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนไปใจหนีไปคิดแวบรู้ทันใจไปเพ่งใส่มือรู้ทันใจมีปิติรู้ทันใจมีความสุขรู้ทันใจเป็นอุเบกขารู้ทันหรือใจฟุ้งซ่านหดหูรู้ทันไปเรื่อยๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆจิตมันเปลี่ยนแปลงของมันเอง มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่เป็นวิปัสนาดูจิตดังนั้นกรรมาฐานอันหนึ่งนะทางแยกเยอะแยะเลยเป็นสมถะก็ได้ไปรู้กายก็ได้ไปรู้จิตก็ได้สารพัดรูปแบบดีๆทั้งนั้นแหละอย่าละเลยค่อยๆฝึกไปง่ายๆหรือเดินจงกรมบางคนเดินไปธรรมดาเห็นร่างกายมันเดินไปถ้าเดินไม่เป็นก็เดินแบบสมถะถ้าเดินไม่ได้เรื่องเลยเรียกเดินเรื่อยเปื่อยคือเดินแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกเดินเรื่อยเปื่อย อย่างน้อยก็ได้ออกกำลังกายดีกว่าไม่เดินเลยเดี๋ยวเป็นง่อยแต่ถ้าเดินไปแล้วใจมันไหลไปเกาะอยู่ที่เท้าเท้าจะยกเท้าจะย่างเท้าจะเหยียบจะกดรู้หมดเลยจิตแนบอยู่ที่เท้าเลยอันนี้ได้แต่สมถะเดินไปแล้วได้สมถะมีปิติมีความสุขเพราะมันเป็นการเพ่งเพ่งเท้าไว้การที่จิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายๆนั่นแหละได้สมถะ ทีนี้ถ้าเดินจงกรมไปนะเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นแค่คนดูเห็นว่าตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราเดินนะร่างกายมันเดินเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่วัตถุธาตุก้อนนี้เป็นรูปประนก้อนนี้กำลังเดินอยู่มันไม่ใช่ตัวเราเดินใจเป็นแค่คนดูอยู่ต่างหากแล้วมันจะเห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่เราเดินหรอกแต่ถ้าใจไม่แยกมาเป็นคนดูใจถล่ไปอยู่ที่เท้าก็กลายเป็นสมถะ ถ้าใจแยกออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินจะเป็นการทำวิปัสนาด้วยการรู้กายเดินเดินไปแอบไปคิดเรื่องอื่นแวบก็รู้ทันว่าจิตแอบหนีไปคิดเดินเดินไปแล้วก็คิดท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้ก็รู้ว่าคิดอีกเดินแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันเดินแล้วมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาเดินแล้วสงบเดินแล้วฟุ้งซ่านเดินแล้วมีความสุขเดินแล้วกลุ้มใจมีความทุกข์อะไรขึ้นมาก็ตามรู้ไปเรื่อยๆ นี่ก็คือการทำวิปัสสนาดูจิตในขณะที่กำลังเดินอยู่ฉะนั้นแค่เดินจงกรมทำได้สารพัดเลยทำเรื่อยเปื่อยก็ได้ใจลอยไปทำสมถะก็ได้ไปเพ่งเท้าไว้หรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายที่กำลังเดินทำวิปัสสนาดูกายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้ทันทีว่ากายไม่ใช่ตัวเราทำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เดินไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้ เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้จิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูลงไปเราจะเห็นเลยจิตมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองใช้หลักอย่างนี้นะทำกรรมาฐานอะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจแต่กรรมาฐานที่ไม่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจก็มีเช่นถ้าเราไปเพ่งไฟอย่างนี้ก่อไฟขึ้นสักกองหรือจุดเทียนเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องจุดเทียนใช่ไหมมีหลอดไฟเล็กๆจุดไว้ข้างหน้า เดี๋นนี้หลวงพ่อเห็นเขาขายรูปกสินกันมีสิบแผ่นมีสีต่างๆเขียนเป็นวงกลมใครจะทํากสินอะไรก็ไปซื้อรูปนี้มาแปะไว้ข้างหน้าแล้วก็นั่งดูไปเรื่อยๆจริงๆมันไม่ใช่กสินแล้วแต่คิดว่าเป็นกสินกสินต้องดูเล่นๆดูเล่นๆแล้วใจรวมสงบได้กสินครูบาอาจารย์รูปหนึ่งนะหลวงปู่บุญยฤทธ์อยู่ที่สวนทิพย์เคยอ่านประวัติท่านท่านบอกว่าท่านฝึกกสินไม่สําเร็จนะฝึกดูโน่นดูนี่ไม่สําเร็จ วันหนึ่งนั่งพิงกุฏิดูพระจันทร์สวยมีความสุขพอจิตมีความสุขจิตก็มีสมาธิเลยทําเป็นมันง่ายกว่านั้นมันง่ายนะง่ายต้องดูเล่นๆดูไปเรื่อยๆพวกนี้มันจะไม่ค่อยย้อนเข้ามาดูกายดูใจมันจะดูออกนอกอย่างเราเล่นกสินนะวกกลับเข้ามาเจริญวิปัสสนามันลําบากนิดนึงมันไม่เหมือนกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจกรรมฐานพวกกสินดูออกนอกพวกนี้ไปเล่นอภิญญาง่ายสรุปก็คือ ใครเคยทำกรรมาฐานอะไรก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่คอยดูให้ดีจิตมีทางแยกหลายทางอันหนึ่งทำแล้วลืมเนื้อลืมตัวอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอันหนึ่งทำแล้วจิตแนบเข้าไปในอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ารู้อิรยาบดีเพ่งร่างกายทั้งร่างกายรู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอันนั้นอันนี้เป็นสมถะ รู้จิตก็ไปเพ่งจิตได้นะเป็นสมถะหรือทํากรรมฐานแล้วเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปมันพองมันยุบไปมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันหายใจเข้าหายใจออกมันไม่ใช่ตัวเราหรอกใจเป็นคนดูอยู่ตั้งหากอันนี้ทํำวิปัสสนาดูกายได้อีกอันหนึ่งทําไปแล้วจิตใจเป็นอย่างไรคอยตามรู้ไปอาศัยกรรมฐานนั่นแหละเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่พอไม่มีอะไรจะรู้ก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรา แคบเดียวจิตก็หนีไปทํางานใหม่แต่ไม่ได้บังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์นะถ้าบังคับให้จิตแนบอยู่กับอารมณ์เป็นสมถะถ้าปล่อยให้จิตทํางานแต่มีอารมณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เล่นเล่นไว้แล้วพอใจมันเฉลอะไปจากตรงนี้รู้ทันใจมันไปเพ่งอารมณ์รู้ทันใจมันเป็นอย่างไรก็รู้ทันอันนี้แหละเป็นการดูจิตกรรมาฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนๆกันไม่ต้องตีกันถ้าทะเลาะกันก็ไม่ใช่ของแท้ๆหรอก เวลาเราขึ้นภูเ ข, ขาเราจะรู้สึกว่าเส้นทางที่เราเลือกดีที่สุดแล้วพอขึ้นไปยอดเขาแล้วคนเยอะแยะเลยเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้มองไปรอบๆตัวมันขึ้นได้รอบทิศ ท, ทางเลยขอให้ทิศ ท, ทางมันถูกเท่านั้นแหละอยากขึ้นยอดเขาอย่าลงเหวไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้ทิศ ท, ทางมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็แล้วกันทิศ ท, ทางก็คือหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินอยู่ให้ตรงหลักหลักที่ต้องเรียนก็คือหลักของอริยศาสตร์หลักของสติ ป, ปัฏฐาน หลักของไตรลักษ์เรียนลงไปเรื่อยหลวงพ่อเขียนไว้ให้อ่านนะศึกษาเท่าที่เขียนให้นะพอเหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือเฟือเลยก็มาฐานสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องการจริงๆมีนิดเดียว